ประกอบของพระโสดาบันดูกระอาอนน์เพราะฉะนั้นเราจะแสดงธรรมเทศนาชื่อว่าธรรมธาตุเพื่อให้อริยสาวกผู้เพียรพร้อมได้ทำที่เหมือนคันชองเมื่อต้องการอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดดิรชานสิ้นแล้วมีเปติวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุกติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงอริยมรรครั้งแรกมีการไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแล้วมีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าดูกะระอานนทธรรมเทศนาชื่อว่าธรรมาธาตุนั้นคืออะไรดูกะระอานนทอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่ง เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถีฝึกบุคคลที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้รู้แจ้งทรงเป็นผู้อธิบายธรรมสองเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่เห็นได้ด้วยตนเองไม่ขึ้นกับการเป็นธรรมที่ควรมาดูควรน้อมมาปฏิบัต เป็นธรรมที่วินชูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนสามเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระสงฆ์ว่าพระอริยสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงตามมัชชิมาปฏิปทาเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นผู้ปฏิบัติที่ควรนับถือ ท่านเหล่านั้นคือบุรุษสีคู่ก่าวคืออริยบุคคลแปดจำพวกนี่แหละพระอริยสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ควรรับสักการะผู้ควรแก่ของต้อนรับผู้ควรรับทัศนณาทานผู้ควรอัญชลีกรรมเป็นนาบุญอันประเสริฐของโลกสเป็นผู้ประกอบได้ศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อย เป็นอริยาศีลเป็นศีลอันพระอริยาปรารถนาเป็นไทยอันผู้รู้สารเสริญแล้วไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิครอบงมไว้และก่อให้เกิดสมาธิดูกระอานนส์ศัทธาอันมั่นคงและศีลอันหมดจดนี้คือธรรมเทศนาชื่อว่าธรรมธาตุเพื่อให้อริยาสาวกผู้เพียบพร้อม ด้วยธรรมที่เหมือนคันชองเมื่อต้องการอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดจัตติรสชานสิ้นแล้วมีเปติวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงพร้อมอริยมรรคครั้งแรกมีการไม่ตกต่เป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแล้ว มีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าคระหัตผู้เป็นพระโสดาบันพิจารณาธรรมสี่ประการคือศรัทธาอันมั่นคงในพระลัตนตรยัยและศีลอันหมดจดซึ่งเกิดจากการบรรลุธรรมหากต้องการจะบอกผู้อื่นก็บอกว่าตนเป็นพระโสดาบันได้โดยไม่จำเป็นต้องขอคําตัดสินจากผู้อื่นเพราะ บุคคลอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่อาจบอกเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ตามพระวิปัสนาจารย์ควรอธิบายเรื่องวิปัสนาญาณมัคคยานผลญาณและปัจเจเวคขณะญาณพร้อมด้วยธรรมเทศนามีธรรมท่าสูตรเป็นต้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเพราะผู้ที่บรรลุธรรมที่เป็นสาวกธรรมดาไม่อาจเข้าใจ ชื่อของวิปัสสนาญาณได้อย่างถูกต้องเหมือนคนเดินทางในสถานที่ซึ่งตนไม่เคยไปแม้จะรู้ถึงสถานภาพของสถานที่นั้นก็ไม่อาจจะรู้อย่างชัดเจนได้เองโดยมิได้ฟังจากบุคคลอื่นท่านเหล่านั้นยังไม่อาจเข้าใจคุณธรรมของพระโสดาบันอย่างบริบูรณ์ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสแสดงองค์ประกอบของพระโสดาบันที่ตรงกับ ธรรมธาตุสูตรนี้แก่พระอริยบุคคลมีอนาถบินทิกะเศรษฐีเป็นต้นเมื่อท่านเหล่านั้นได้ฟังธรรมแล้วได้ยอมรับว่าตนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธาและศีลดังกล่าวในขณะนั้นพระสารีบุตรได้ชมเชยอนาถบินทิกะเศรษฐีว่าท่านได้พยากรณ์โสดาปฏิพันธของตนนอกจากนี้ ท่านยังไม่อาจเข้าใจถึงกิเลส ท, ที่สงบแล้วและที่ยังเหลืออยู่ตามหลักฐานจากพระบาลีและอัตถกถาที่นำมากราวไว้แล้วด้วยเหตุนี้พระวิปัสสนาจารย์ควรอธิบายลำดับยานเป็นต้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่บรร ล, ลุธรรมแล้วส่วนพระอริยบุคคลผู้เป็นพระภิกษุควรพยากรณ์ความเป็นพระอริย โดยไม่ล่วงละเมิดภูตาโรชนสิกขาบทภูตาโรจนสิกขาบทเป็นพระวินัยที่เกี่ยวกับการพูดอวดอุตริมนุสธรรมแก่อนุปปัสมบันคือผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุและภิกษุณีพระอริยบุคคลผู้เป็นภิกษุอาจบอกว่าตนเป็นพระอริยะได้แก่อุปสัมบันคือภิกษุและภิกษุณีแต่บอกแก่อุปสัมบัน ไม่ได้ต้องอาบัตปาจิตตีแต่บอกแกอุปสัมบันไม่ได้ต้องอาบัตปาจิตตีพระอริยมีศรัทธาอันมั่นคงพระอริยเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงไม่มีใครทําลายความเชื่อมั่นเลื่อมใส ของพระอริยะได้ด้วยการล่อใจคมคู่หรือหลอกลวงดังเรื่องในสมัยพุทธกาลดังต่อไปนี้เรื่องอุบาสกชื่อสุปปพุทธะที่ถูกล่อใจอุบาสกชื่ออุปพุทธะเป็นโรคเรื้อนทั้งตัวจนต้องนอนคลวนครางด้วยความทรมานเป็นคนเข็นใจไม่มีที่พักอาศัย ถือเศษกระเบื้องเที่ยวขอทานตั้งแต่เล็กวันหนึ่งนั่งฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ปลายแถวของพุทธบริษัทแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเขาดำริจะกราบทูลคุณธรรมของตนแด่พระผู้มีพระภาคแต่ไม่กล้ากราบทูลในท่ามกลางบริษัทจึงกลับไปพร้อมกับคนอื่นแล้วย้อนกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในขณะนั้นพระอิน ต้องการจะทดลองใจของท่านจึงแสดงตนอยู่กลางอากาศแล้วกล่าวทดสอบมีคำโต้ตอบดังนี้ว่าพระอินทร์สุปปุทธะเจ้าเป็นคนเข็นใจไร้ที่พึ่งเพิงเราจะให้สมบัติมหาศาลแก่เจ้าพระอินทร์กล่าวว่าสุปปุทธะเจ้าเป็นคนเข็นใจไร้ที่พึ่งพิยง เราจะให้สมบัติมหาสารแก่เจ้าขอเพียงเจ้าประกาศว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้รู้ธรรมทั้งปวงอย่างแท้จริงพระธรรมไม่ใช่พระธรรมที่ถูกต้องพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบเราไม่ต้องการพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสุปปพุทธถามว่าท่านเป็นใคร พระอินตอบว่าเราเป็นพระอินสุปปพุทธะกล่าวว่าท่านพระอินผู้โง่เขราท่านพูดถ้อยคำที่ไม่ควรพูดท่านไม่คู่ควรจะสนทนากับเราเหตุใดท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นคนเข็นใจเราเป็นพุทธบุตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนเข็นใจเราเป็นคนร่ำรวยด้วยอริยทรัพย์อันประเสรศิฐ สุปพุทธะกล่าวดังนี้แล้วได้กล่าวคาถาว่าทรัพย์คือศรัทธาศีลหิริโอตตปะการสดับการสละและทรัพย์ที่เจ็ดคือปัญญาทรัพย์เหล่านี้มีอยู่แก่บุคคลใดผู้เป็นสตรีหรือบุรุษผู้มีปัญญากล่าวว่าบุคคล น, นั้นไม่ใช่คนเข็นใจชีวิตของเขาไม่ไร้ค่า ในคำพีอธกิกถาอธิบายว่าการสละคือจากคะในเรื่องนี้เป็นการสละกิเลสและขันที่เกี่ยวข้องด้วยโสดาปฏิมาศดังนั้นพระอริยบุคคลจึงได้ชื่อว่ามุตตจากคะคือผู้สละบริจาคทานโดยไม่มีเยื่อใย ห, ห่วงแหนเพราะสละกิเลสและขันดังกล่าวได้แล้ว การสละที่เป็นธรรมอันบรรลุด้วยมักนี้มีแก่พระอริยะทุกคนรวมถึงสุ ป, ปะพุทธะด้วยลำดับนั้นพระอินรีไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องนี้ล่วงหน้าพระบรมศาสดาตรัสว่าบุคคลเช่นท่านร้อยหรือพันคนก็ไม่อาจทำให้สุ ป, ปะพุทธะกล่าวปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ได้ เมื่อสุปปพุทธได้เฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลธรรมที่ตนบรรลุแล้วในระหว่างเดินทางกรับได้ถูกนางยักษินีที่จำแลงร่างเป็นแม่วัวไล่วิดเสียชีวิตเขาไปเกิดเป็นเทพระบุตผู้มีอนุภาพในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยอนุภาพของศรัทธาศีลการสดับการสละและปัญญา แม้จะเคยเป็นคนเข็นใจตอนเป็นมนุษย์ก็กลายเป็นเทวดาผู้ทรงริธานุภาพมากกว่าเทวดาบางตนด้วยผลของมรรคยานที่ตนบรรลุทำให้เทวดาบางตนเกิดความริษยาพระอินได้ยินเรื่องนั้นจึงกล่าวว่าพวกท่านอย่าริษยาสุป พ, พุทธะเลยเขาทรงริธานุภาพมากในบัดนี้เพราะได้สั่งสมศรัทธา ศีลการสดับการสละและปัญญาจากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พบในคำพีอัตถกถาของอุทานและธรรมบทตัวอย่างข้างต้นชี้ให้เห็นว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยะอย่างแท้จริงจะไม่ถูกกล่อดใจด้วยสมบัติพัะสถานใดๆเพื่อให้กล่าวปฏิเสธพระรัตนตรัยได้ เพราะเขาไม่อาจสละพระรัตนตรัยเพื่อแลกกับทรัพย์นอกกายเมื่อพิจารณาดูจะพบว่าความเชื่อมั่นเลื่อมสายในพระรัตนตรัยของเขามั่นคงจนไม่อาจแลกกับสิ่งใดใดได้เลยเรื่องอุบาสิกาชื่อ ธนัญชาที่ถูกข่มคู่นางธนัญชานีเป็นพระโสดาบันที่เชื่อมั่นเลื่อมสายในพระรัตนตรยัยแต่สามีของนางชื่อพารัวาชะนับถือพรามวันหนึ่งสามีของนางประสงค์จะเลี้ยงอาหารแก่พรามห้าร้อยคนจึงพูดกับนางว่าพารทวาชะนี่แม่พรุ่งนี้ฉันจะเชิญพรามห้าร้อยคน มาฉันพัฒหาหที่บ้านฉันขอร้องแม่ละเธออย่าได้สาทยายว่านโมพุทธสัขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะทำให้อาจารย์ของฉันเกิดความเข้าใจผิดว่านับถือสมณะโล้นโคดมท่านัญชานีกล่าวว่าพ่อเอ๋อยเธอจะเป็นอย่างไรนั้นฉันก็ช่วยไม่ได้หรอก เมื่อฉันละลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะว่านาโมพุทธัสสะเหมือนเดิมภารัวาชะกล่าวว่านี่แม่ถ้าพรุ่งนี้เธอว่านาโมพุทธัสสะให้พรามได้ยินฉันจะเชื่อเธอออกเป็นชิ้นๆนางท่านัญชานีฟังคำนั้นแล้วได้กล่าวคาถาคัดค้านถึงห้าร้อยบทมีอธิอย่างนี้ว่า พ่อพรามแม้เธอจะเชื่อฉั้นเป็นชิ้นๆตามต้องการฉั้นก็จะไม่ยอมงดกล่าวคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแน่นอนในที่สุดพรามผู้เป็นสามีก็ยินยอมตามใจนางในวันเลี้ยงพัฒหารนางท่านัญชานีได้เดินสะดุดล้มทำให้นางเจ็บปวดมากจึงละลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ว ประนมมือเหนือศีรษะหันหน้าไปทางวัดพระเชตวันเป่งอุทานสามครั้งว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นลำดับนั้นพราหมณ์ที่มาฉันพัตหารโกรธเคืองไม่พอใจ แล้วลุกขึ้นกลับไปฝ่ายพรามพารัวาชาก็โกรธภรรยาและคิดว่าจะเอาชนะศาสดาของนางด้วยการประคารมจึงได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วทูลถามปัญหาเมื่อได้รับฟังคำตอบแล้วก็ได้บรรลุธรรมและทูลขออุปสมบทในพระศาสนาต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์ ต่อการไม่นานเรื่องนี้พบในพระมณะสังยุตจะเห็นได้ว่าพระอริยะแม้จะถูกคมคู่ให้สละความเป็นชาวพุทธที่นับถือพระรัตนตรยัยก็ไม่ยอมสละเพราะมีศรัทธาที่มั่นคงเหมือนานางธนัญชานี เรื่องอุบาสกชื่อสุรัมพัฒถ ท, ที่ถูกหลอกลวงอุบาสกชื่อสุรัมพัฒนนี้ในชาติก่อนได้ตั้งมโนปนิธานเพื่อได้รับเอตทัคคะในความเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงตั้งแต่สมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะต่อมาในสมัยของพระโคตมะพระองค์นี้ ท่านได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเขาได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันพัฒหารพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เขาในเวลาหลังพัฒกิจและเขาได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อฟังธรรมจบเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับแล้วพญามารต้องการจะล่อลวงเขาจึงเนรมิตเป็นพระพุทธเจ้า เสด็จมาเยือนหน้าประตูบ้านในขณะนั้นเขารู้สึกแปลกใจที่พระองค์เสด็จกลับมาอีกและคิดว่าคงจะมีเหตุพิเศษเขาจึงเข้าถวายอภิวาทโดยสำคัญว่าเป็นพระพุทธเจ้าและทูลถามเหตุที่เสด็จกลับมาอีกพยามารกล่าวว่าดูกระสุ ร, รมพัฏฐะท ถ, ถาคาแสดงธรรมแก่เธอขาดไปข้อหนึ่ง คือตถาคตกล่าวว่าขันห้าทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแต่ขันห้าทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่จริงแล้วมีขันบางอย่างเที่ยงแท้คงอยู่เสมอในขณะนั้นสุรัมพัทธดำริว่าพระดํารัตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่แปลเปลี่ยนเราเคยได้ยินว่าพยามาร ทำตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าบุคคลนี้เห็นจะเป็นมารแน่นอนจึงถามว่าท่านเป็นพญามารหรือมารร้ายใช่เราคือพญามารสูรำพัฒหะพญามารอย่างท่านแม้สักร้อยตนพันตนไม่อาจทำลายศรัทธาของเราได้พระบรมศาสดาตรัสว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ท่านอย่าอยู่ที่ประตูบ้านเราเลยจงออกไปเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ทรงอาศัยเรื่องนี้ยกย่องสุรัมพัถาว่าเป็นเอตัทััคะเลิศในความเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงเรื่องนี้ปรากฏในคำพีอัตถกถาของอังคุตรนิกายแม้อุบาสกและอุบาสิกาอื่นจะไม่รับตำแหน่งเอตทัทธัคเหมือนสุรัมพัะ แต่ก็มีศรัทธามั่นคงในพระลัตนตรัยทั้งสิ้นแม้ใครจะหลอกลวงก็ไม่เห็นผิดตามนั้นและไม่เชื่อถือคำกล่าวผิดอาทิเช่นสังขารบางอย่างเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนมรรคผลและนิพพานไม่มีจริงแม้บุคคลจะภาคเพียรปฏิบัติธรรมก็ไม่อาจบรรลุความระ ง, งับเกิเลส หรือให้กิเลสลดน้อยลงความมีใจตั้งมั่นไม่มีจริงการเห็นประจักษ์รูปน้ำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีจริงพระอริยะผู้กำลังปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วเพื่อระ ง, งับกิเลสไม่มีจริง พระอริยมีศีลอันหมดจดในคำภีอัิกถะากล่าวถึงศีลของพระอริยว่า 1. คําว่าอริยกันเตหิคือศีลอันพระอริยพึงใจแล้วหมายความว่าศีลอันพระอริยพึงใจแล้วคือชอบใจกล่าวคือเป็นที่รัก2 เพราะศีลห้าเป็นที่พึงใจของอริยสาวกทั้งหลายเนื่องจากท่านไม่พึงสละศีลแม้ในภพอื่น 3. คำนี้ระบุถึงศีลห้านั้นหนึ่งถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งพึงกราวกับอริยสาวกที่ไปเกิดในภพอื่นซึ่งแม้จะไม่รู้ว่าตนเป็นพระอริยะว่าท่านจงฆ่ามดปลวกนี้ และเสวยราชสมบัติแห่งพระจักรพรรดิราชในห้วงจักรวาลทั้งหมดเถิด 2. เขาจะไม่พึงฆ่ามดปลวกนั้น 3. และถ้ากล่าวกับเขาอีกดังนี้ว่าถ้าท่านไม่ฆ่ามันเราจะตัดศรีรษะของท่าน 4. ผู้ให้ฆ่าพึงตัดศรีรษะของเขาเขาไม่พึงฆ่ามดปลวกนั้นแน่นอน นอกจากจะเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วพระโสดาบันจะไม่ทำผิดหรือล่วงละเมิดศีลข้อใดในศีลห้าคือการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จและดื่มสุราเมรัยโดยเด็ดขาดท่านรักศีลของตนยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติร่างกายหรือแม้แต่จะแลกด้วยชีวิตดังนั้นเมื่อท่านพิจารณาด้วยตนเอง หรือรับรู้อารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสก็จะตระหนักถึงการมีศรัทธามั่นคงและศีลอันหมดจดตามธรรมธาตุสูตรนี้พระอริยโสดาบันจึงเป็นผู้มีศีลและศรัทธาที่มั่นคงในการทั้งปวงเช่นในการที่เผชิญกับภาวะที่จะต้องล่วงละเมิด พระอริยะไม่รู้ว่าตนพ้นไปจากอบายแล้วพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปแม้ยังมีขันเหลืออยู่ก็เป็นผู้พ้นจากอบายภูมิโดยสิ้นเชิงพระโสดาบันและพระสกทาคามีจะได้เกิดในกามสุขติภูมิรูปภูมิหรืออรูปภูมิหากเกิดในกามสุขติภูมิ ก็จะได้อยู่ในสกุลสูงไม่ต่ำต้อยส่วนพระอนาคามีจะไปเกิดในรูปภูมิหรืออรูปภูมิเท่านั้นอย่างไรก็ตามลำพังพระอริยะจะไม่อาจพิจารณารู้ได้เองว่าได้ผลแล้วจากอบายแต่ต้องฟังคำตรัสแนะนำจากพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ได้ดังข้อความในอังคุตรนิกายว่าหนึ่ง พระสารีบุตรกราบทูลว่าในสมัยนั้นแลเมื่อพวกอัญญาตเดรถีปริพาชคเหล่านั้นกำลังนั่งประชุมสนทนากันอยู่ได้มีคำพูดนี้แทรกขึ้นว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งที่ยังมีขันเหลืออยู่เสียชีวิตไปผู้นั้นล้วนไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรรชานไม่พ้นจากเปรตวิสัย ไม่พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตสองข้าพระองค์ไม่ยินดีไม่คัดค้านถ้อยคำที่อัญญาเดียรถีปริพาชคกล่าวนั้นกล่าวแล้วสามครั้นแล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปได้คิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งพาสิทธิ์นี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกราสารีบุตรอนุญาตเดรถีปริภาชกผู้โง่เขลาไม่ฉลาดอย่างไรจักรู้ผู้ที่ยังมีขันเหลืออยู่ว่าเป็นสัุปาทิเศสะหรือจักรู้ผู้ที่ไม่มีขันเหลืออยู่ว่าเป็นอนุปาทิเศสะสอดุกราสารีบุตรบุคคลก้าวจำพวกนี้ ที่ยังมีขันเหลืออยู่เสียชีวิตย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดสัตวดิรฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตเมื่อพระพุทธเจ้าตรัส ด, ดังนี้แล้วได้แจกแจงพระอริยะก้าจำพวกไว้ดังนี้หนึ่งผู้เป็นอันตราปรินิพพายีหมายถึงพระอนาคามีผู้ไปเกิดใน พุทธาวาสภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วปรินิพพานในครึ่งแรกของอายุสุทธาวาสภูมินั้น 2. ผู้เป็นอุปหัดจปรินิพพายีหมายถึงพระอนาคามีผู้ไปเกิดในสุทธาวาสภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ปรินิพพานในครึ่งหลังของอายุสุทธาวาสภูมินั้น 3. ผู้เป็นอสังขารปรินิพพายีหมายถึงพระอนาคามีผู้ไปเกิดในสุทธาวาสภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในภูมินั้นโดยสะดวกไม่ต้องใช้ความเพียรมากนักแล้วดับขันธทาปรินิพพานสี่ ผู้เป็น ส, สังขารปรินิพพายีหมายถึงพระอนาคามีผู้ไปเกิดในสุทาวาสภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในภูมินั้นด้วยความเพียรอย่างแรงกล้าแล้วดับขันธะปรินิพานห้าผู้เป็นอุททงโสโตอักกนิธัคามี หมายถึงพระอนาคามีผู้ไปเกิดในสุทาวาสภูมิชั้นต่ำคืออวิหะภูมิเมื่อจุติแล้วไปเกิดในสุทาวาสภูมิชั้นสูงขึ้นไปตามลําดับกล่าวคืออตตปาภูมิสุทัสสาภูมิสุทัสทสีภูมิและอคานิฐาภูมิแล้วจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์และดับคันธะปรินิพาน ในอาการนิฐาภูมินั้นหกสกทาคามีหมายถึงสกทาคามีคือผู้จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพียงหนึ่งครั้งเจ็ดเอกะซีพีหมายถึงพระโสดาบันที่จะปฏิสนธิต่อไปภายหน้าอีกชาติเดียว ก็จะบรรลุอารหัตผลแล้วปรินิพานท่านเป็นผู้บำเพ็ญบารมีด้วยการเจริญสมถภาวนาน้อยแต่เจริญวิปัสสนามากจึงมีปัญญาแก่กล้า8โกลังโกละหมายถึงพระโสดาบันที่จะปฏิสนธิต่อไปอีกสองถึง6ชาติเป็นอย่างมากก็จะบรรลุอารหัตผลแล้วปรินิพาน ท่านเป็นผู้บำเพ็ญบา ร, รมีอย่างปานกลางมีสมาธิและปัญญาเท่าๆกัน 9. สัตตขันตุปรมะหมายถึงพระโสดาบันที่จะปฏิสนธิในมนุษยภูมิและเทวภูมิอีกเพียงเจ็ดชาติก็จะบรรลุอรหัตผลและปรินิ พ, พานลำดับต่อจากนั้นพระบรมศาสดาได้มีพระดำรัส ที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องนี้ว่าหนึ่งดูกระรสารีบุตรธรรมเทศนายัางไม่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก่อน 2. ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้ฟังธรรมเทศนาที่เรากล่าวนี้แล้วอย่าถึงความประมาท 3. กระนั้นก็ตามเรากล่าวธรรมเทศนานี้ไว้ โดยลักษณะที่ควรเฉลยคำถามพระสูตรนี้เป็นหลักฐานแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็งเห็นว่าถ้าพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีผู้ยังเป็นสอุปาที่เสสะอยู่ทราบว่าตนพ้นจากอบายได้แล้วอาจหลงประมาทอยู่ไม่ภาคเพียรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอรหัตผล ดังนั้นจึงทรงคอยให้มีผู้ถามเชก่อนด้วยเหตุนี้พระอริยะทั้งสามจำพวกข้างต้นจึงสามารถรู้ได้ว่าตนมีสุคติพบแน่นอนด้วยคำตรัสของพระพุทธเจ้าไม่อาจรู้ชัดด้วยตนเองได้และโดยเหตุที่ท่านไม่อาจรู้ชัดเองได้เจ้ามหานามะจึงสงสัยในภพที่จะไปเกิดต่อไป ดังข้อความในสังยุตตนิกายว่าหนึ่งพระสารีบุตรกราบทูลว่าในสมัยนั้นแลเมื่อพวกอัญญาเดรถิปริพาโชกล่านั้นกำลังนั่งประชุมสนทนากันอยู่ได้มีคำพูดนี้แทรกขึ้นว่าดูกระอวุโสทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่งที่ยังมีขันเหลืออยู่เสียชีวิตไปผู้นั้นล้วนไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากกำเนิดเดรัจฉานไม่พ้นจากเปรตวิสัยไม่พ้นจากอบายทุคติและวินิบาตสองข้าพระองค์ไม่ยินดีไม่คัดค้านถ้อยคำที่อัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นกล่าวแล้วสาม ครันแล้วจึงลุกจากอาสนะเหล็กไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งพาสิน์นี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก ร, ราสารีบุตรอัญญาเดรถิปริภาชกผู้งโง่เขลาไม่ฉลาดอย่างไรจักรู้ผู้ที่ยังมีขันเหลืออยู่ว่าเป็นสอุปาทิเศสะ หรือรู้จักผู้ที่ไม่มีขันเหลืออยู่ว่าเป็นอนุ ป, ปาทิเสสะ 2. ดูกราสาริบุตรบุคคลเก้าจำพวกนี้ที่ยังมีขันเหลืออยู่เสียชีวิตย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุกขิและวินิบาตเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสดังนี้แล้ว ได้แจกแจงพระอริยะก้าจำพวกไว้ดังนี้ 1. ผู้เป็นอันตราปริปนิพพายีหมายถึงพระอนาคามีผู้ไปเกิดในสุทาวาสภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งได้สำเร็จเป็นพระอราหาันแล้วปรินิพพานในครึ่งแรกของอายุสุทาวาสภูมินั้น 2. เป็นผู้อุปหัจจะ ปรินิพพายีหมายถึงพระอนาคามีผู้ไปเกิดในสุทาวาสภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วปรินิพานในครึ่งหลังของอายุสุทาวาสภูมินั้น 3. เป็นผู้อสังขารปรินิพพายีหมายถึงพระอนาคามีผู้ไปเกิดในสุทาวาสภูมิ ภูมิใดภูมิหนึ่งได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ในภูมินั้นโดยสะดวกไม่ต้องใช้ความเพียรมากนักแล้วดับขันธะปรินิพานสี 4. ผู้เป็นสังขารปรินิพพายีหมายถึงพระอนาคามีผู้ไปเกิดในสุทาวาสภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ในภูมินั้นด้วยความเพียรอย่างแรงกล้า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 และอากณินิฐาภูมิแล้วจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันและดับขันธะปริณิพานในอากณินิฐาภูมินั้น 6. สกทาคามีหมายถึงพระสกทาคามีคือผู้จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพียงหนึ่งครั้ง 7. เอกซีพีหมายถึงพระโสดาบันที่จะปฏิสนธิต่อไปภายหน้า อีกชาติเดียวก็จะบรรลุอรหัตผลและปรินิพานท่านเป็นผู้บำเพ็ญบารมีด้วยการเจริญสมถภาวนาน้อยแต่เจริญวิปัสนามากจึงมีปัญญาแก่กล้า 8. โกลังโกละหมายถึงพระโสดาบันที่จะปฏิสนธิต่อไปอีกสองถึงชาติเป็นอย่างมากก็จะบรรลุอรหัตผลและปรินิพาน ท่านเป็นผู้บำเพ็ญบารมีอย่างปานกลางมีสมาธิและปัญญาเท่าๆกัน 9. สัตสัตขัตตุปรมะหมายถึงพระโสดาบันที่จะปฏิสนธิในมนุษยภูมิและเทวภูมิอีกเพียงเจ็ดชาติก็จะบรรลุอรหัตผลแล้วปรินิพานลำดับต่อจากนั้น พระบรมศาสดาได้มีพระดำรัสที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องนี้ว่าหนึ่งดูกระสารีบุตรธรรมเทศนายังไม่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก่อน 2. ข้อนั้นพระเหตไตรเพราะผู้ฟังธรรมเทศนาที่เรากล่าวนี้แล้วอยากถึงความประมาท 3. กระนั้นก็ตาม เรากล่าวธรรมเทศนานี้ไว้โดยลักษณะที่ควรเฉลยคำถามพระสูตรนี้เป็นหลักฐานแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าถ้าพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีผู้ยังเป็นสอุปาทิเศษะอยู่ทราบว่าตนพ้นจากอบายได้แล้วอาจหลงประมาทอยู่ไม่ภาคเพียรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอรหัตผล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 ดังข้อความในสังยุตตนิยว่าหนึ่งเจ้ามหานามะทูลถามว่าสมัยนั้นหม่อมชั้นลืมสติที่ปรารภถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ 2. หม่อมชั้นมีดำริว่าถ้าเราพึงเสียชีวิตในเวลานี้คติของเราจะเป็นอย่างไรสำปรายพกจะเป็นอย่างไร 3. มพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอถวายพระพรพระมหาบอพิธอย่า ก, กลัวเลยการสวรรคตดอันดีงามจะมีแก่มหาบพิธการสิ้นชีวิตอันดีงามจะมีแก่มหาบพิธสีดูกะมหาบอพิธจิตของผู้ใดผู้หนึ่งที่อบรมแล้วด้วยศรัทธาศีล ส, สุตะจากะและปัญญา ตลอดกาลนานกายนี้ของผู้นั้นมีรูปพวกกาแรง้งนกตะกรุมสุนัขสุนัขจิ้งจอกหรือหนอนต่างชนิดย่อมกัดกินกายนี้แหละส่วนจิตของผู้นั้นอันศรัทธาศีลสุตตะจากกะและปัญญาอบรมแล้วตลอดกาลนานย่อมไปสู่เบื้องบนบรรลุคุณธรรมพิเศษหลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอริยสาวกผู้เพียบพร้อมด้วยองค์สี่คือมีศรัทธามั่นคงในพระลัตน์ตรัยและมีศีลอันหมดจดย่อมน้มน้อมโอนไปสู่พระนิพพานแล้วตรัสอุปมาเปรียบเทียบจิตที่อบรมดีแล้วด้วยศรัทธาเป็นต้นว่าเมื่อบุคคลดำลงในน้ำแล้วทุบหม้อบรรจุเนยใสหรือน้ำมัน เศษม้อย่อมแตกจมลงแต่เนยใสยหรือน้ํามันย่อมลอยเหนือน้ําชั้นใดจิตที่อบรมดีแล้วด้วยศรัทธาเป็นต้นย่อมสูงส่งขึ้นตามลําดับชั้นนั้นหรือเมื่อบุคคล ต, ตัดต้นไม้ที่โอนไปทางทิศตะวันออกต้นไม้ที่ถูกตัดย่อมโอนไปทางทิศตะวันออกชั้นใดจิตที่อบรมดีแล้วด้วยศรัทธาเป็นต้น ย่อมโอนไปสู่พระนิพพานเหมือนเดิมฉันนั้นพระสูตรที่นำมาอ้างนี้แสดงหลักฐานว่าพระโสดาบันและพระสกทาคามีบางท่านยังมีความสงสัยในภพหน้ากิเลส ท, ที่ตนละได้แล้วและกิเลส ท, ที่ยังละไม่ได้ดังคำทูลถามของเจ้ามหานามะอย่างไรก็ตามความสงสัยดังกล่าว ไม่ใช่วิจิกิจฉานิวร์อัลละได้ด้วยโสดาปฏิมติได้แก่ความสงสัย8หรือ16อย่างอันมีอัตติทิเป็นที่อาศัยดังกล่าวไว้ในกังขา ว, วิตรณาวิสุทธิดังนั้นพระอริยะเหล่านั้นจึงไม่มีวิจิกิจฉาที่จัดเป็นอกุศลควรละด้วยมักคยาน